แต่ไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรในใ น, ในรูปศัพท์นะแต่ว่าคนที่คุนแล้วก็ฟังปุ๊บก็รู้อ๋อหมายถึงความพร้อมเพลี่ยงก mm ัน hmm. ของสภาวะธรรมไร้ละอย่างที่มารวมกันอะไรที่มันพร้อมเปลี่ยนพร้อมเปียงกันเนี่ยดีก็ตามชั่วก็ตามมันทําให้เกิดอะไรพิเศษขึ้นนะเช่นว่าเราแกงให้อร่อยก็ต้องมีความพร้อมเพรียงกันของเครื่องปรุงใช่ไม่ใช่อย่างถูกส่วนอย่างประณีตเท่าไหร่ สดเท่าไหร่ความพร้อมเพียงของของที่มีความสมดุลสูงมีคุณภาพสูงมีกําลังหลูอย่างนั้นก็กลายเป็นอาหารที่ประณีตและมีความ อ, ร, อร่อย <c oughs> เวลาเราไปทานอาหารเนี่ยเราก็เป็นคนก็ไม่ได้นึกสังเกตเราก็คงจะเข้าใจกันนะบางแห่งเนี่อาหารเขาวีชื่อว่าอร่อยมากไอ้ที่เขาปรุงอยู่ในหม้อเ น, นี่ยนะแต่เชื่อไหมครับว่าเครื่องปรุงเนี่ยเขาใช้น้ําปลาอย่างเร็วเร็วที่สุดใช้พริกป่นอย่างเร็วเรวที่สุด เราเห็นเนี่นก็เสียดายว่าแหมเนี่ยเขาช่างประหยัดยังไม่ฉลาดเลยและบางร้านเนี่ยครับอาหารอร่อยแต่ว่าขี้เหนียวไม้ยิมฟันมีอยู่เวลานก็เราก็แอบนึกตำหนิเขาเราไม่ได้ไปเพราะไม้ยิมฝันไปินแอบนึกตำหนิจนกระทั่งกลายเป็น้านหลังเป็นไม่ยิมฝันเดีเอดเคยยังชั่วหน่ออาหารในร้านนั้นก็อร่อยขึ้นหน่อยแต่ว่าบางร้านที่เขาเขาขายดีๆเราไปดูเลยครับไอ้ที่ไปออมันขนาดบางทีขาย ตามพูดบ่ายยังขายดีกว่าร้านในในร้านอีกนะโอ้โหพวกเครื่องปรุงเขาเนี่ยเขาเลือกอย่างดีของเนี่ยเขาต้องสดอันไหนที่พร่ำหน้านก็ทิ้งเลยเขาไม่เอาไว้ขายดีขายราคาแปพงหรืออื่าหน่อยก็ยังขายดีนี่เป็นลักษณะของไอ้ไอสัมบยุทธ์นะโดยเทียบให้ฟังแม้อยู่แม่ยา ก, ก็เหมือนกันหรือในเชิงบุคคลคือบุคคลมารวมกลุ่มแล้วก็ใช้พลังความสามารถของตัวของตัวอเพื่อมุ่งไปสู่ความสําเร็จของงานเนี่ยเพื่อทำให้งานนั้น บรรลุความสําเร็จได้แต่ว่าเราเนี่ยเราเชื่ออยู่อันหนึ่งแล้วก็พูดกันอยู่เสมอว่าอย่างเรามารวมกลุ่มเขาเนี่ยยที่พูดกันมากเราเคยเนียไปอินเดียต่างคนต่างบอกว่เนี่ยพ่อบารมีเขาคนนั้นพ่อบารมีเขาคนนี้จริงๆแล้วก็คือแต่ละคนพกบารมีดีของตัวเองตัวไปบางคนก็มีบารมีกับแขกทําให้แขกกลัวได้เออกันดีนี่พวกนี้ต้องออกหน้าเวลาแขกมันดักลอยอยู่จ่พูดจาอะไรกับแขกเออมีบารมีบางคนก็มีบารมีทางฐานนะ มีทางทานเราก็ได้พึ่งพาครับไม่อดไม่อยากเวลาไปที่น่ะคนไหนที่มีบา ร, รมีทั้ง <c oughs> ข้อมูลเราก็ได้พึ่งพาทางด้านข้อมูลใเนี้มันก็เป็นบุญกุศลที่เข้ามารวมกันเพราะฉะนั้นถ้าในหมู่บ้านหนึ่งในครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีเป็นคนมีบา ร, รมีแม้ว่าคนหนึ่งจะไม่ครบอาจจะมีทั้งอย่างสองอย่างแต่ว่าหลายคนเนี่ยมารวมกันจะเป็นที่พึ่งพิงกันได้อุดหนุนก็นขึ้นไปทําให้ ต่อสู้กับอุปสรรคได้ทำให้บรรลกความสำเร็จต่างๆได้โดยเร็วและแน่นอนมั่นคงเพราะนั้นสภาวะธรรมที่มารวมกลุ่มกันเนี่ย <c oughs> มันจึงมีหลักอยู่ตรงนี้ครับว่าถ้าเป็นกุศลกุศลเจตสิกนั้นสมบูรณ์แค่ไหนเหมื่อมันถึงมีจำนวนมากแค่ไหนไอจำนวนมากเนี่ยเป็นตัวสำคัญอันหนึ่งเพราะว่าอย่างเช่นว่าคนทาบุญ เกิดมหากุศลจิตดวงที่มีเจตสิกน้อยที่สุดได้บุญน้อยที่สุดถ้าทําบุญด้วยมหากุศลที่มีเจตสิกมากที่สุดได้บุญมากที่สุดมาถึ่ก็สามสิบแปดและเจตสิกที่มาประกอบนั้นถ้ามีกําลังมากเท่าไหร่บุญมากเท่านั้นอะเราเรียกว่าเป็นเป็นบุญแทนไปความสําเร็จมากเท่านั้นใช่นะนี่คือเราคํานึงถึงความสมบูรณ์กละกาลังต้องดูแลทั้งความสมบูรณ์และกําลัง อย่า ง, น, งนี้นองอินตีห้านี่เหมือนกันต้องดูว่าตัวไหนขาดพอครบแล้วเนี่ยต้องมาดูไอ้เรื่องกําลังเพราะต้องทํากําลังให้สมบูรณ์อันไหนห ย, ย่อนก็ดึงขึ้นไปไม่ใช่ไปดึงให้ข้างบนลงมานะถ้าดึงข้างบนลงมาเนี่ยมันมีมันมีดึงถึงแก่มาบางทีเราดึงลงมาเนี่ยเพื่อในในความหมายจริงๆนะคือดึงลงมาเพื่อมาฉุดข้างล่างขึ้นไปไม่ใช่ดึงลงมาแล้วให้มันสุดต่ําเพื่อความสุดต่ําในอนาคตต่อต่อไปนะเพราะว่าถ้าไปดึงลงมาแล้วมัน ยกระดับขึ้นไม่ได้ก็จำเป็นต้องดึงลงมาเพื่อ ย, ยกระดับทั้งหมดขึ้นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการมันสำปายุดเนี่ยจึงปรากฏในความรู้สึกของเราเป็นที่ชัดเจนนะฮะคือในเป็นอย่างไรเนี่ยดูที่ความรู้สึกเราแต่ถ้ามันเป็นความชั่วแล้วต้องต้องทําลายความสามารถขีของความชั่วที่ท่านตรัสว่าความสามารถขีของหมู่คณะย่อมนํามาถึงความสุข ผมถามว่าเป็นคว า, สารรมสามคีของบาปหรือของบุญของคนผานหรือบัณฑิต อ, อก็ไม่ท้องตอบเราก็ตอบตัวเองได้กันทุกคนนี่คือสัมผยุจต ป, ปัจจัยครับผมจะหยุดในช่วงนี้ไว้เท่านี้เดี๋ยวมา อ, อหรือขอว่าถ้าให้จบไปดีกว่าเดี๋ยวมาขึ้น เ, เรื่องใหม่ชุดใหม่เลยเพราะว่าเ อ, อที่เหลือเนี่ยมันง่ายแล้วครับมาเกิดจะไม่ต้องพูดหมดพอบอกจะหยุดกันนี่ สรรพยุตปัจจัยเริ่มล้าแล้วเริ่มเริ่มเตรียมอยู่กับผิวอี้ผิกระเป๋ากับบ้านแล้วอะไรต้องเรียกเข้าห้องใหม่เด็กสัมพยุตกลับมาด้วยถ้าเป็นวิประยุตปัจจัยแปลว่าไม่ประกอบซึ่งบังเอิญวิปยุตปัจจัยนั้นไม่ได้มีสภาวะเป็นของตัวเองเลยเป็นแต่ปัจจัยที่กล่าวถึงลักษณะในส่วนนี้เท่านั้นคือ ทำที่มาเป็นปัจจัยกันเนี้ยมีทั้งส่วนที่มาครุกปนกันเรียกว่าสัมปยุทธถ้าไม่ครุกปนกันไม่เรียกว่าสัมปยุทธ์ก็ยกตัวอย่างเช่นว่าอ่าความรู้สึกสุขทุกข์ที่มันอยู่ในหัวใจเราเนี้ยเป็นสัมปยุทธ์แล้วก็ถ้าเราอ้าปากพูดด้วยความรู้สึกสุขทุกข์ปากที่พูดนั้นเกิดจากจิตที่สั่งให้พูดปากไม่ได้อยู่ที่จิตจิตไม่ได้อยู่ที่ปากใช่ไหมได้ อยู่คนละที่กันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยกันอย่างไม่สัมปยุทธ์ไม่ได้ประกอบกันไอ้บางอย่างนี่อยู่ที่เดียวกันก็ไม่สัมปยุทธ์กันก็มีเช่นว่าจักษุวิ ญ, ญญาณเห็นรูปที่ตาอาศัยตาเป็นที่ตาแต่ไม่ได้สัมปยุทธ์เพราะถึงยังไงไอ้จักษุวิญ ญ, ญาณก็ไม่ได้กลืนประสาทเข้ามาอยู่ในกระแสจิตจักษุประสาทก็ไม่ได้กลืนวิญญาณเข้ามาอยู่ในกระแสลสญญญมลญญญรสลลเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้เก้าอี้กลายเป็นเราไปไหม ไม่เป็นเราเป็นก็ยี้มันก็ไม่เป็นมันสัมพันธ์กันแบบติดกันก็จริงแต่ว่าไม่ได้กลืนกลิ่นเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นเออเออะครื่งปรุงอาหารบางอย่างที่เราไม่ได้หั่นซะก่อนไม่ได้ผ่าซะก่อนแล้วใส่ลงไปทั้งหน่วยเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้มีผลต่ อ, อรสชาติของอาหารหรือคุณค่าทางอาหารในหม้อ น, นั้นก็ได้อย่างนี้ก็เรียกไม่ถึงฐานะของความเป็นสัมพยุต์ เปนแต่เพียงตกลงมาในหมอน้อแต่นี่เราไปกินแกงกินอาหารแล้วเกิดมีหนังกระติกหล่นลงไปนี่สัมยุทธไหมสัมยุทธก็เกิดร้อนบางเอิอไม่สัมยุธตก็เลยมันอาจจะมีบ้างแหละแต่ว่ามันไม่ไ ม, ไ, มไม่ถึงกับละลายตัววิปยุทธก็เป็นเรื่องของระหว่างลูกกนามเนี่ยลูกกนามไม่สามารถจะเป็นปัจจัยกันแบบสัมปยุทธได้จึงเป็นวิปยุทธอันนี้เรียกว่าเป็นวิปยุทธปัจจัย อันี้อัติปัจจัยปัจจัยโดยความมีก็คือปัจจัยอื่นๆนั่นเองเช่นสหาชาตาปัจจัยบ้างนิสยปัจจัยบ้างอารามณะปัจจัยบ้างบางอย่างที่ว่าเป็นความมีหรือวัตถุปัจจัยเนี่ยที่ว่าเป็นความมีก็หมายความว่าตัวรูปหรือนามก็ตามที่เป็นปัจจัยแก่รูปหรือนามอื่นเนี่ยต่างคนต่างยังปรากฏอยู่ เรียกว่าเป็นปัจจัยแกอย่างต่างฝ่ายต่างมีอายุปรากฏถามว่าเราจะเห็นรูปที่ไม่มีแล้วได้ไหมไม่ได้เราเห็นรูปที่มีอยู่รูปนั้นเป็นอันตริปัจจัยแก่จิตเห็นกายจิตอาศัยกายกายต้องมีอยู่จิตจึงอาศัยได้เพราะฉะนั้นกายนั้นจึงเป็นปัจจัยโดยความมีอยู่เรียกว่าอันติปัจจัยแก่จิตที่เป็นผู้อาศัยกายเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างเราๆเนื้อหานั้นไปซ้ำกับปัจจัยอื่น ก็ไม่ต้องแจ้งทั้งหมดการนี้มาพูดถึงนักถิปัจจัยแล้ ว, ว่าเป็นปัจจัยโดยความไม่มีวันนี้ก็คืออนันตระปัจจัยนะตามที่ท่านประสงค์อนันตระปัจจัยคือจิตดวงก่อนดับไปโดยไม่มีศูนย์เหลือจึงเป็นเหตุให้เกิดจิตดวงหลังได้ถ้าจิตดวงนั้นยังดับไปไม่มิดดวงจิตดวงใหม่เกิดไม่ได้เหมือนกับความมืดความสว่างนะครับดวงอาทิตย์ไม่ดับดวงดับแสงความมืดก็ยังไม่ปรากฏ เอาวิคตาปัจจัตรวิคตาก่อนวิกต้า ปัจจัยคือความเป็นปัจัยโดยความปราศจากไปข้อนี้ก็ไปซ้ํากับนักที่ปัจัยนั่นเองก็คืออนันตระปัจจัยอีกชื่อหนึ่งก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องเรียนแต่เวลาท่านสวดมนต์เนี่ยท่านก็สวดอ่าเต็มเต็มแต่ว่าบาลีจริงๆเนีะก็เป็นแต่เพียงพูดคําสั้นๆนั่นเองดูคําแปลก็เห็นไม่พูดเป็นแบบว่ายาวเหมือนอย่างอนันตระปัจใจถ้าเปอนันตรปัจจัยปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยี่สี่อวิคตาปัจจัยความเป็นปัจใจอะปัจจัยคือความ ไม่ปราศจากไปอาวิคถ า, าในแรงไม่ปราศจากไปความก็คือมีนั่นเองครับก็ไปซ้ำกับอัถิปัจจัยทุกประการเมื่อกี้นี้เลยทุ่นแรงไปได้หลายปัจจัยก็ไม่นานว่าภาคแรกนี้เราจบเดี๋ยวเรามาพูดแบบสาระแบบเจ้าเงาะถอดรูปกันอีกทีนะในช่วงหลังขอเชิญพักรับฐานอาหารว่างในช่วงนี้จะอธิบายประมวลสิ่งที่เป็นสาระหลักๆของ ปัจใจย24นะฮะัจจย24เนี่ยถ้ากล่าวถึงส่วนที่เป็นสาระหลักแล้วว่าที่จริงก็มีไม่กี่ส่วนหรอกครับ อย่างที่ประมวลมาเห็นนี่ทั้งหมด9ประเด็นด้วยกันซึ่งเป็นลักษณะของปัจจัยหรือส่วนที่เป็นเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบของปัจจัยยี่สเราจะดูจากส่วนที่1ส่วนที่1นั้นขึ้นหัวข้อเป็นอย่างภาษาไทยๆเข้าใจง่ายๆว่าอํานาจกรรมวัดเรียกเป็นภาษาปัจจัยว่านานคณิกกรรมปัจจัยโดยความหมายนั้นก็คือเจตนาในการก่อนการก่อนหมายถึงก่อนอะไรก่อนวิบาก ของกุศล น, นั้นแล้วก็หมายถึงอากุศลเจตนาในการกอดเพราะว่าตัวกรรมในมีส อ, อย่างกุศลกรรมอกุศลและกรร ม, ลลรรมและองค์ธรรมของความเป็นกรรมนั้นก็คือเจตนาเจตนาที่ประกอบในอากุศลแลจิตเป็นอากุศลลกรรมเจตนาที่ประกอบในกุศลจิตเป็นอกุศลกรรมและเมื่อบุคคลได้ทำกรรมหรือเกิดเจตนาที่เป็นบุญอย่างไรอย่างไรเป็นบาปอย่างไรอย่างไรแล้วถือว่ามีพลังอันหนึ่ง และพลังตัวนี้ถือว่าเป็นพลังพิเศษสุดยอดเลยนะครับที่มีผลต่อชีวิตของเราอย่างเป็นที่หนึ่งมากกว่าพลังอื่นทั้งหมดที่ว่ามีผลต่อชีวิตของเราเนี่ยทั้งร่างกายและจิตใจก็คือผลในส่วนที่หนึ่งคือเราต้องยืนอยู่ในสังสารวัตรนี่ก็เพราะพลังอันนี้ที่เรามีเนื้อมีตัวมีหน้าตาอย่างนี้มีจิตใจอย่างนี้ ก็เพราะพลังตัวนี้และพลังตัวนี้อีกเหมือนกันเมื่อบุคคลจะถอนตนออกไปจากสังสารวัตรก็ถอนได้โดยพลังตัวนี้พลังที่ทําให้ถอนตนไปจากสังสารวัตรนั้นถ้าพูดระบุสภาวะเลยก็คือม ak ัคคกุศลมัคคกุศลเนี่ยถือเป็นกรรมอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นโลกุตระกุศลหรือโลกุตละกรรมกรรมจึงมีสองอย่างสังสารกรรมอันหนึ่งกับหรือจะเรียกว่าวัฏกรรมอันหนึ่งกับวิวัฏฏกรรมอันหนึ่ง กดและในภาษาหลักที่ท่านเรียกกฎแห่งกรรมหรือกรร ม, มวัตว่าเป็นนานักนิกะกรรมมะปัจัจเนี่ยนี่ผมย้ำซ้ำให้ชัดว่าก็เพราะว่าคนเมื่อทำกรรมเนี่ยกรรมในเงื่อนไขที่เป็นความหมายจริงๆแท้ตามหลักคำพีมาพฐานหรือตามหลักที่ประสงค์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับไม่ใช่พูดเพื่อ คำนึงให้เข้าใจกันง่ายๆแล้วก็ไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงในทางหลักที่พูดถึงข้อเท็จจริงในทางหลักแล้วว่าจริงก็ไม่ใช่เป็นของเข sal ้าใจง่ายไอ้เข้าใจยากหรอกเข้าใจง่ายเพราะเราเข้าใจอยู่แล้วแต่มันอาจจะยากตรงที่พิสูจน์ก็กลัวว่าจะพิสูจน์ไม่ได้ก็เลยพยายามจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบพิสูจน์ได้แต่ว่ามันผิดจากหลักเรียกว่านานักิกาเพราะว่ากรรมกับวิบากเนี่ยไม่สามารถจะให้คือกรรมไม่สามารถทําให้เกิดวิบากคือผลกรรมได้ในเวลาขณะกระทํากรรมที่ทํานั้น ต้องดับก่อนวิบากของกรรมนั้นจึงจะเกิดภายหลังจึงจะเกิดได้แล้วก็เกิดภายหลังท่านจึงเรียกว่านานาขณะเพราะกรรมกับวิบากนั้นไม่ร่วมขณะกันและถ้าถามว่าห่างขณะขนาดเนี่ยเป็นวัยพฤของการเวลาถามว่าห่างกันนานแค่ไหนตอบว่าเอาแน่ไม่ได้บางกรรมกับบางคูวิบากเนี่ยบางคู่ห่างกันแค่ไม่กี่ปีก็มีเื่อให้ผลในชาตินี้ หรือแม้แต่ให้ผลข้ามชาติมาดีก็ไม่กี่ปีเช่นว่าตอนเราจะตายเราทําบุญทําบาปเป็นเป็นกรรมที่เขาเรียกว่าอาสนกรรมไอ้ตรงนั้นอาจจะไม่พูดกันเป็นปีอ่ะอาจจะพูดกันแค่คืนเดียวชั่วโมงเดียวนาทีเดียวก็มีทรงผลไปเกิดในภพเสวยบาปของกรรมนั้นทันทีคนละชาติแต่ห่างกันไม่ถึงวันนะแต่ในชาติเดียวกันบางทีห่างกันตั้งสิปีจึงเอาแน่ไหมท่านนี้ถ้าถามว่าเอาแน่ไม่ได้นะเพราะอะไรตอบเอาหลักขว้างว่าเพราะปัจจัยแทรกปัจจัยแทรก ปัจจัยแทรกเนี่ยอาจจะเป็นกรร ม, มปัจจัยได้กันแต่ว่าต่างคดีการต่างประเภทกรรมกันหรือเพราะปัจจัยอื่นๆในรูปของมัจจัย24่สแล้วเป็นปัจจัยอื่นก็ได้เรียกว่าเป็นปัจจัยแทรกทําให้กรรมเนี่ยกรรมนั้นไม่มีอภิสิทธิ์อะไรเป็นพิเศษหรอกครับเวลาให้ผลนั้นต้องมีเงื่อนไขมีเครื่องมือมีอะไรอีกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นคนที่ทํากรรมชั่วทำกรรมดีแล้วเราจึงไม่อาจที่จะเอาความร้อนใจของเราเนี่ย ไปยุ่งเกี่ยวได้ว่าเออคนทําความชั่วเนี่ยเราอยากแค่ได้รับผลทันทีนะถึงแม้ว่าไม่ใช่ทําเดี๋ยวนั้นได้เดี๋ยวนั้นก็จริงแต่ทันทีคือว่าไม่ข้ามวันไม่ข้ามยูโมงอะไรเงี้ยนะทําความดีก็อยากให้ผลทันทีถ้าเป็นอย่างนั้นละคนจะกลัวกรรมกันมากแต่มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะตรงนี้นะพูดไปแล้วก็เรื่องเยอะหละนะเอาแต่ว่าเอาส่วนหลักตรงนี้ฮะสมมุติว่าเราไม่พูดถึงปัจจัยอื่นเลยเอาเฉพาะเรื่อง ว่าอากรรมอย่างเดียวเนี่ยเนื่องจากว่ากรรมเนี่ยเวลามันส่งผลแล้วมันส่งผลเกินตัวเกินตัวหมายความว่าถ้าท่านอุปมาเหมือนกับปลูกต้นไม้เผมในตำราอุปมาด้วยต้นข้าวแล้วเอาต้นข้าวมาพูดก็มีคนเขารู้ดีเขาพูดแล้วเราก็เออเขายกตัวอย่างดีกว่าว่ามันน่าจะเป็นเหมือนต้นไม้ยืนตน้นไอ้ต้นข้าวมันไม่ยืนตน้นออกโรงเดียวก็ตายแล้วนะมันก็ได้ความเข้าใจในตัวนี้ว่ามเมล็ดข้าวเม็ดหนึ่งเนี่ยเป็นกรรม ที่ทําให้เกิดวิบาก ค, คือเมล็ดข้าวทั้งรวงหลายเม็ดหลายเมล็ดแต่ว่าพอออกรวงแล้วต้นข้าวก็ตายเขาบอกแหมน้อยไปต้องเปรี่ยบเหมือนต้นไม้ยืนต้นใหญ่ๆที่ออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกหลายช่อออกทีเดียวก็หลายลูกหลายช่ออย่างต้นมะม่วงนี่นะแล้วปีแล้วปีล่ลาไอ้ที่ไปเจอมะม่วงพันธุ์สมัยวิทยาศาสตร์ที่มันออกทั้งปีเลยก็ยิ่งดูสาแก่ใจของคนที่อยากจะได้กุศลนิบาต หรือสาแก่ใจที่อยากให้คนอื่นได้กุได้กุตัวนี้บกักมันก็เป็นลักษณะอย่างเนี้ยนี้เมื่อให้ผลเกินตัวเนี่ยเราลองคิดดูเมื่อเกินตัวเนี่ยมันจะต้องกินเวลาใช่ไหมเราใช้เวลาฆ่าคนเดี๋ยวเดียวเขาไม่ให้ติดคุกเดี๋ยวเดียวหรอกครับไอ้บางอย่างใช้เวลาทำความชั่วดังนั้แต่เวลาได้ผลอาจจะสิ้นเวลาเดี๋ยวเดียวใช่ไหมแล้วเวลาได้ผลเดี๋ยวเดียวบางอย่างมันเดี๋ยวเดียวเราไม่ต้องการติดคุกตลอดชีวิตชีวิตดีกว่าก็ยิงเราตายเดี๋ยวเดียว <ๆ S 1> ใช่ไหมไอ้ตายเดี๋ยวที่สี รู้เรื่งมางก็เลยอย่างสมมติชาติเนี่ยเราเกิดขึ้นมาเรามีชนกกรรมนํามาเกิดคดีหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งนะเป็นตัวหลักรรมนั้นจะให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ร้อยปีเลี้ยงอัตภาพสาร้างอัตภาพนามรูปในต่อเนื่องกันร้อยปีกรรมอื่นที่เราทําในวันเดียวกันครั้งเดียวกันเช่นว่าวันนั้นเนี่ยเราทําทานส่วนทาศีลส่วนหนึ่ง ตามสมาที่ส่วนหนึ่งนะแต่เวลาเขาให้ผลนะถ้าทานมาให้ผลก่อนอีกสองอย่างต้องรอนี่ราวางรอเนี่ยไอ้กรรมที่เขาให้ผลเขาก็ประ ก, กันเราไว้เราไปทําความชั่วมาอาจจะได้ผลนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ตัดใจหรือไม่เร็วถึงถึงถึงเร็วก็ให้ผลนิดหน่อยไม่สามารถจะย่ํายีอาตภาพของเราได้เพราะอะไรเพราะกรรมหลักเขายังคุมเราอยู่ ไอ้ตรงนี้มันเลยเกิดไอ้การทับถมไงะเรียกว่าเกิดใช้กรรมกันไม่ไหวอ่ะเราลองคิดดูถ้าเราจะใช้กรรมไหวไหมเอาเป็นว่าถ้าแต่เมื่อวานนี้เราไม่ทําอะไรอีกแล้วเนี่ยกรรมเก่าๆที่ได้ทําไว้เนี่ยใช้ไม่หวัดไหวเพราะมันต้นมะม่วงมารามีที่ปลูกมะม่วงอยู่ต้นเดียวแล้วก็ไอ้เมล็ดมะม่วงที่มันอยากจะมาเป็นเมล็ดพันธุ์รอคิวอยู่เนี่ยโอ้โหรอกันกี่ร้อยเป็นเป็นสิบสปีนะกว่าจะหมดรุ่นหมดเมล็ดแต่ละเมล็ดมากมายเนี่ยเพราะฉะนั้นการถอนตนจากวัฏตักคือกรรมวัดจึงยากหรือง่ายจึง ต้องมีกรรมอีกชนิดหนึ่งที่มันลงมาขวาดล้างกรรมพวกนี้ได้ถึงจะได้ต้องเป็นกรรมสูงยอดจริงๆนั่นก็คือมัคคกุศลณกรรมจึงขวัดล้างได้อันนี้แหละครับที่ทําให้กรรมเนี่ยหรือธรรมะเนี่ยก็อื่นอัดใจากับกรรมแล้วเกินโกรธแห่งกรรมนะผู้สอนโกรธแห่งกรรมอื่นอัดใจาแล้วเกินตรงนี้แหละครับทําน้อยแต่ได้มาก นี่มันเหมือนช่างเหมือนเหมือนกับอะไรอะไรทั้งหลายเหลือเกินนะทําน้อยแต่ได้มากแล้วเราถ้าเรายอมแม้แต่เราจะยอมเรายังไม่เคยยอมเลยทําน้อยแต่ได้มากไอ้ทาทําทําน้อยแต่ได้มาใจทําน้อยเอาน้อยเนี่ยเราเข้ามาขยอมเลยใช่ไหมไม่ยอมเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันน้อยไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้อ่าแค่ไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาคิดเป็นมูลค่าไม่เท่าไหร่นะไม่ได้มีเจตนาพูดกันนะแหนะใครนี่นี่ผมเพิ่งอย่างไอ้ไป ไปละเมดิดลิขสิทธิ์ไอปากกาเนี่ยาจริงมันได้กำไรมันแล้วก็มุนข้ามไปแต่โอ้แต่เขาเรียกเขาเรียกเชยจนกระทั่งไม่มีสิทธิท์จีไปทำอะไรดอีกเลย ใชนี่ทั้งชายก็ไม่หมดมันถึงทําไมถึงเป็นอย่างนั้นน่าจะเรียกว่าคุณละเมื่อแกไหนก็ตีก้าวแกนั้นเลยนะซึ่งมันบางทีมก็มีแง่อย่างนี้อยู่บ้างแต่ว่าโดยมากจะเป็นเรื่องเกินตัวเอาละทีนี้พูดถึงต่อไปกลุ่มต่อไปอํานาจก่ออุปนิสัยอํานาจกอ่อวุณิสัยนั้นเราเรียกว่าประตูปุิสยาปัจจัยไอ้คาว่าปกกาต์ปกติกตานี่แปลว่าก ร, ร, ระทําปกตาเนี่แปลว่ากระทําแล้วและคําว่ากระทําตัวเนี้ยหมายเอาสาระคือจิตนั้นได้ คิดนึกในอารมณ์จะก่อให้เกิดพฤติกรรมทางกายทางวจาจาหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่เรียกว่าเป็นกระทําคุณเนี่ยถึงมันจะทําอะไรอะไรมันก็ไม่มีอุปานิสัยแต่ว่าคนเนี่ยเพราะมีใจใจเป็นตัวเก็บอุบายนิสัยพไอ้อุบานิสัยก็ตามใจไปไม่ตามตัวยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างกรณีของคนที่ในหลายๆประเทศที่เคยเล่าให้ฟังในเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งนะไอ้คนหนึ่งเกิดตายไป แล้วร่างยังอยู่แล้วมีวิญญาณใหม่มาปฏิสนธิในร่างคนอื่นพอปฏิสที่ใหม่และงานที่มันเคยทําเป็นอาชีพมาครึ่งชีวิตทําไม่เป็นนะครับทำไม่เป็นเขียนหนังสือภาษาของตัวเองก็ไม่เป็ดทั้งๆ ท, ท, ที่มือเก่าตาเก่าอะไรก็เก่าแต่ทําไมถึงทําไม่ได้ก็เพราะว่าความถนัดนั้นไม่ได้ติดอยู่ในรูปมันติดอยู่ที่จะนั้นอํานาจอุปนิอำนาจอุปนิสัยที่เรียรปกาศตัว น, นิสัยแล้วว่าที่อาศัยนะคือเราเนี่ยอาศัย นิสัยของเราจริงไหมอย่างเราบอกว่าเราอาศัยอาชีพอาศัยความรู้ในอาชีพก็คืออาศัยนิสัยของเราเองภาษาธรรมะเขาเรียกอย่างนี้แต่มันมีความหมายเป็นหลายสาขาเหลือเกินอ่ะพูดไม่หมดง่ายๆสาหรับการพูดเราอาศัยที่เราจะเรียกว่าอาศัยความรู้อาศัยศิลปะวิทยาโดยรวมก็คืออุปนิสัยซึ่งเป็นเครื่องอาศัยดํารงชีพ อาศัยเป็นตัวต่อในการเรียนรู้งานต่อไปความสามารถต่อไปอาศัยเป็นเครื่องสื่อต่อแม้แต่เรื่องที่เรียกว่าเป็นบาตรรักษาศีลเป็นเป็นรักษาสุสตะเป็นเหตุใ ห, ให้เกิดให้เกิดทานเกิดการปฏิบัติหรือในใ น, ในวิสุทธิที่7วิสุธทธิแต่ละอย่างหนุหนหนขึ้นไปนี่เรียกว่าเป็นอุปุณิสัยอุปุณิสัยต้นเป็นเครื่องอุปุณิสัยหลัง เป็นที่อาศัยของอุปนิสัยหลังๆขึ้นไปขึ้นไปอย่างนี้นี่พูดถึงว่าอุปนิสัยภายในของเราเองนะยังมีอุปนิสัยถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปตื่ออีกคนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นในนี้นะ่ะถ้าถามว่าในกระแสจิตของเราในวิถีีจิตของเราเนี่ยจุดไหนเป็นจุดเกิดอุปนิสัยจุดเพราะว่าในชวนะจิตถ้าไม่ใช่ชวนะจิตแล้วมันเป็นตัวเก็บอุปนิสัยเก่าๆสืบท อ, อดมาได้แต่นิสัยใหม่นี่ที่สะสมเพิ่มเติมหรือสร้างขึ้นใหม่ เกิดจากสวนรรค์นั้นคนนอนหลับเนี่ยไม่ได้นิสัยใหม่จริงนะไม่ว่าจะไปปฏิบัติธรรมแล้วหลับหรือนั่งทํางานแล้วก็หลับอะไรก็ตามหรือขณะหลับปกตินี่ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยสมมุติว่าเราจะบอกงี้เราจะขอไปนอนหลับไปขอเช่าคอพิวเตอร์เป็นที่นอนหลับเพื่อจะได้ออสโมซิสไอความรู้ลงคอมพิวเตอร์มาเข้าหัวตอนนอนหลับถ้เพราะมันเข้าไม่ไม่เข้าหรอกนอนทั้งชีวิตต้องมีทางเข้าไอที่มันเข้ามาบ้างก็เสียงายเพราะเรารู้เราเห็นอะไรบ้างคือตอนเราตื่น แต่ต้องตื่นอย่างเกิดเทวนะด้วยนะไม่ใช่ตื่นอย่างไม่เกิดชวนะเ อ, อเป็นนันว่าอุปนิสัยที่เราได้เนี่ยเราได้จากตัวเราเองเป็นสาระสําคัญนะะเป็นสาระสําคัญและแม้จะได้จากคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องผ่านเข้ามาหาตัวเองคือเราเราต้องเป็นผู้รับรับอุปนิสัยจากคนอื่นถ้าเราเป็นไปนอนหลับไปนอนหลับคุดคู่อยู่ในคุดตีพระอระหันต์ก็ไม่มีทางจะได้อะไรจากพระอระหันตองค์นั้นเลยต้องตื่นแล้วก็ดูดซับ อุปนิสัยเข้ามาโดยประการอย่างใดอย่างใดเพราะนั้นจึงมีบ่อกเกิดอุปนิสัยอย่างกรณีที่สองคือที่ท่านบอกว่าอุตูโพชนะนัมปิเสนาสนะนัมปิปุคโลในนี้ผมเรียงใหม่นะบาลีเนะี่ยก็เรียงบุคคลไว้ตรงกลางเรียงเพื่อว่า อุตูโภชนะเสนาสนะเนี่ยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตบุคคลนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะไปพันกับอารมณ์ปัจจัยถ้าจะอธิบายชัดต้องต้องชักแม่นาวมาเยอะหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็ลองว่าถึงว่าถ้าเป็นอารมณปัจจัยเนี่ยก็คือการรับรู้อย่างธรรมดาแต่ว่าไอ้ตรงนีน้ท่านว่าลึกไปกว่าอารมณ์ปัจจัยอารมณปัจจัยคือการรับรู้นะฮะแต่ตรงนี้น่ะ มันแฝงมากับอารมณปัจจัยและลึกกว่าอารมณปัจจัยตรงนี้อธิบายว่าอย่างไงสมมุติว่าเรากินอาหารมือหนึ่งเป็นอาหารอร่อยและมีคุณค่าทางอาหารที่สามารถช่างตัวงวัดได้ อ, อคุณค่าทางอาหารเนี่ยแม้เราไม่รู้ว่าอาหารมันมีโปรตีนมีอะไรต่างๆไปทําให้อะไรจะเจริญเติบโตเราก็เติบโตใช่ไหมนั้นอาหา ร, รปัจจัยเราไม่จําเป็นต้องใวรับรู้ มันก็ทำงานั่หเหมือนกรรแหละเราก็ไม่รู้รู้ก็ทำงานแต่ว่าถ้าเป็นอารมณะปัจจัยอย่างอารมณ์เนี่ยเราจะอร่อยได้ต่อเมื่อเรารู้รสใช่ไหมรู้รสนั้นๆเราถึงอร่อยได้ทีนี้ไอความอร่อยเนี่ยผมถามว่ามัน เป็นสัปพายะแก่เราเสมอไปไหมฮะคนเป็นหวัดอยากกินน้ำแข็งอร่อยเป็นสัพพายะไหมไปนั่งกําหนดลมหายใจเข้าออกสมาที่เดินดีไหมไม่ดีแล้วก็อาหารอีกหลายหลายอย่างนี่ยกตัวอย่างอาหารนะมันอร่อยมีคุณค่าทางอาหารตามหลักโภชนาการแต่ไม่เป็นสัพพายะใช่ไหมฮะไอ้บางอย่างไม่อร่อยแต่อาจจะไม่มีคุณค่าทางอาหารเท่าไหร่แต่เป็นสัพพายะก็มีแล้วก็บางอย่างเนี่ยอาจจะทั้งอร่อยทั้งมีคุณค่าทั้งเป็นสัพพายะมันไอความเป็นสัพพายะนี่แหละนี่ผมพูดเพียงแค่มุมหนึ่งเท่านั้นนะถึง ว่าเป็นพลังทางอุปนิสัยเป็นพลังทางอุปนิสัยที่ว่าในกรณีของคนจะเจริญในธรรมหรือจะเอาพลังของการกินอาหารไปทำเนี่ยจะทําทให้รู้สึกว่ามันไม่มีข้อขัดข้องถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านถือเอาตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญเลยว่าถ้าคนกินอาหารแล้วได้สัพยาจากอาหารนั้นปฏิบัติธรรมลืม่นใช่ไหมคล่องลื่นใช่ฉะนั้นบางทีการทําให้เกิดสัพยาจาอาหารท่านถึง มีข้อจํากัดในเรื่องอาหารอย่างเช่นว่าโดยอารมณ์เนี่ยเรากินหารเราอยากจะกินให้อิ่มเต็มกราบไปเลยอาหารที่อร่อยออร่อยนะแต่พอเต็มมากไปก็เสียสปายะและอาหารที่มีคุณค่ามันกินมากเกินไปคุณค่ามันจาดเกินไปอิเลกวนอีกเสียสัปายะอีกสาหรับคนปฏิบัติธรรมนี่ น, นี่นี่กรณีปฏิบัติธรรมกรณีอื่นก็ว่ากันไปตามกรณีไปไอ้พลังตรงนี้แหละครับเรียกว่าเป็นพลังช่วยกอบอู้บาิสัยที่เราต้องการจะสร้างให้เกิดขึ้นจาก เสนาสะนะสะเครื่องเกี่ยวกับสถานที่อุตุคืออุณหภูมิแล้วก็โภชนะคืออาหารแต่ในนี้ไม่มีเพศัตชาบริการเพราะว่าบังเอิญเนี่ยในธรรมะเพศสัตว์ชาถือว่าเป็นเป็นเครื่องจอดไม่ได้มันนั่งกินเพื่อจะให้มันเป็นสัพยะเหมือนก็กินอาหารไปกับการปฏิบัติธรรมนะสําหรับบุคคลบุคคลที่เป็นกาลยานามิตรหรือเป็นคนที่มีพลังอะไรพิเศษเนี่ยนะครับ ทำให้ธรรมะเราเดินโดยที่บางทีไม่ต้องมาบอกคือถ้ามาสอนนี่เขาเรียกว่าออกมาในรูปเป็นตัว อ, ออกหน้าก็คืออารมณปัจจัยนะฮะแต่ว่าถ้าการถ่ายทอดที่มันแฝงมากับการรับรู้พลังบางอย่างที่แฝงมากับการรับรู้เนี่ยเป็นพลังขอ ง, ข อ, งอุปนิสัยปัจจัยเรียกว่าเราคนที่ไปคลุกคลีอยู่กับพระลาน ร า, าระอรหานท่านมีพลังมีพลังที่จะทําให้เราฟุ้งซ่านมาทำให้สงบอะไรเงี้ยนะโดยที่เราเองก็ไม่รู้อะไอ้อย่างเนี้อ่ะเขาเรียกว่าเป็นพนลังทางอุปนิสัยช่วยทําให้เราเนี่ยตั้งสมาธิได้ยากก็ตั้งสมาธิได้เร็วจากบุคคลเหล่านี้ที่อยู่หลังฉากในเวลาพระจะสงเคราะสังคม ส่วนหนึ่งเนี่ยท่านต่างเคราะห์แบบปิดทองหลังพระนี่ปิดหลังๆจริงๆอย่างนี้ผีเข้าเป็นอุปนิสัยปัจจัยไหมเวลาคนถูวีเข้ารูไ้ไหมมองนะแกมาเข้าฉันเหรอผีเข้าไปก็บอกนี่ฉันเข้ากันแล้วนะเป<ม>็นอีกแง่หนึ่งเป็นอีกแง่นผมก็อาจจะยกตัวอย่างเหมือนจะชวนทําปัจฐาน้ก็ให้เสียบ้างแต่ไม่ใช่เราต่างคร อ, อบคลุมหมดอะม่ะยกแบบนั้นแบบนี้บ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้นะจึงว่าถ้าเราต้องการ สร้างพลังอุปนิสัยความถนัดความเคยชินอย่างใดให้ได้จะต้องพิจารณาเครื่องช่วยเครื่องช่วยอุปการะแก่การสร้างอุปนิสัยคือพวกสัตว์ ป, ป่ายาทั้งหลายโดยบุคคลด้วยอะไรต่อเมื่อะไรต่างๆและแต่ว่าเราจะเอาอะไรก็สแสวงหาอุตุโพชนะเสนนาสะนะบุคคลหรือแม้สิ่งแวดล้อมอื่นที่สงเคราะเข้ามาด้วยกับสี่สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นเครื่องทุนแหละเวลาเราเขียนหนังสืออ่านหนังสือ ให้เข้าใจให้ได้ความรู้สึกได้อุปนิสัยได้ความนี้รักอ่านหนังสือมันก็ต้องมีที่นั่งที่หนึ่งอะไรอย่างงี้ยนะบางทีไ้เวลา น, น, นั่งตาแล้วก็ดูหนังสือแต้ไอ้ที่นั่งเนี่ยมันช่วยเระช่วยเราให้เกิดจิตใจที่อสว่างสวัยแล้วก็สมาทานรับรสชาติความเป็นไปได้ที่หนังสือเขาบอกเราให้ปรากฏรวชาคนจะคลายเครียดก็ต้องไปนั่งเก้าอี้บางอย่างไอ้อย่างที่ก็มีเก้าอี้คลเครียดนะเก้าอี้คลเครียดนี่คงไม่เหมือนเก้าอี้บางอย่างเอ ก็ต้องเป็นสัพยะในลักษณะที่เหมาะสมต่อไปปัจจัยส่วนที่สามอำนาจหน่วงเนาวใจหรือบางทีเราเรียกในภาษาจีวิยาว่าสิ่งเราอะนะเป็นอันเดียวกันนี่พยายามใช้ภาษาไทยที่ใกล้เคียงกับรูปสับปะรดอารัพพาอารัมพาเนี่คือที่ปลารบหรือเป็นที่หน่วงเนาวใจหน่วงเน้าให้นึกให้รู้สิ่งที่เรารับรู้ ด้วยจิตด้วยสำนึกอย่างธรรมดาที่เรารู้ได้ว่าเรารู้อะไรนะก็คือสิ่งที่เรารู้เป็นอารมณะปัจจัยอันในสิ่งที่อย่างสมมติเราเรานึกถึงตัวเราเนะี่ยอย่างที่เคยว่านะเป็นความรู้ตอนนั้นตัวเราเป็นอารมณ์จิตเป็นตัวรู้ตัวเราซึ่งจิตเรารู้ตัวเราเนี่ยตัวเราเป็นอารมณ์ปัจจัยแกจิตของเราทีนี้ไอในในความเป็นตัวเราที่เรารู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรา จับความเป็นจริงในตัวเราเป็นอารมณ์ได้หมดเราอาจจะจับตัวเราเองเป็นอารมณ์อย่างผิดๆก็ได้จิตมึงก็เกิดความรู้สึกนึกคิดอะไรตรงไม่อะไรในอารมณ์ที่ผิดๆเป็นอย่างไม่ไม่ตรงกับความเป็นจริงบางคนนึกถึงตัวเองถ้าเป็นคนที่เขานั่งทำกรรมฐ า, านเขาก็รู้ตัวเองแต่ไม่เท่ากันอย่างเรารู้หรือใครๆรู้อย่างหลับตานึกถึงตัวเองอย่างนี้แม้แต่รู้ความคิดนี้ก็เหมือนกันว่าเราคิดอย่างไรเนี่ยเชื่อไหมฮะรู้ไม่เท่ากัน โกรธอยู่นี่แหละแต่ว่าทำไมน่าจะรู้รู้ว่าโกรธเนี่ยแต่รู้ไม่เท่ากันบางคนรู้แค่ว่าโกรธแล้วมันเป็นยังไงไ ม, ม่ทราบแต่บางคนเนี่ยเขาดูความโกรธแต่เขามีมิติของความลึกครึ้งของความรู้ในความโกรธนั้นดีกว่าจึงไม่แปลกล้วครับที่ที่เราได้บอกกับบางคนว่าบางคนอาจจะเป็นคนฉลาดแต่เป็นโรคประสาทอะไรอะไรคุยเนี่ยรู้หมดปีเหตุผลหมดแต่แล้วทาไม เขาไม่รู้เหมือนล่ะเขาก็รู้อยู่ตรงนั้นเหมือนกับที่เรารู้แล้วทาไมเขาถึงถึงไม่เหมือนเราล่ะอันนี้มันมีอะไรซ่อนเล่นอยู่เพราะนั้นจิตแพทย์เนี่ยถึงต้องดูหนึ่งบางทีฟังเหตุผลที่เขาพูดแล้วก็ดูพฤติกรรมแต่ว่าต้องเชื่อพฤติกรรมมากกว่าเชื่อเหตุผลที่เขาพูดบางเหล่าคนพวกนี้นะเรียกว่าคนฉลาดที่เป็นโรคประสาทบางคนเนี่ย สามารถอธิบายโต้เถียงจนคนดีๆสู้ไม่ได้แลครับผมเจอมาแล้วเนี่ยคนดีแต่ละภาพมาแล้วว่าโอ้ยยอมแพ้เขาเลยครับเขาเก่งมากอะไรอะไรเขารู้หมดแต่มาคุยกับผมเนี่ยผมทันแต่ไม่ใช่ว่าจะทันทุกคน้องทีไปเจอบ้าเดี๋ยวมีวาฒนนาเก่าดีกว่าล้วก็ไม่ตันเาเหมือนกันแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้นี่ก็คือตั้งหลักอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเองอหไะแต่มื่อไปไปกรงกับหมอเขาด้วย เหตุผลเนี่ยมันนั่นแต่ว่าพฤติกรรมแล้วเราก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องความผิดนะคับปุตุชนเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถจะพูดเหตุผลทางธรรมะได้อย่างลึกซึ้งยังไงก็ได้เท่าที่เราสามารถจะกลอได้แต่้พฤติกรรมความรู้อะไรของเราเนี่ยมันออกไปนอกเหตุผลไม่สมเหตุสมผลกับที่เราพูดเราคิดเราเชื่อเราก็ใจมากน้อยอย่างไรอย่างไรเปลี่นไปได้ทั้งนั้นมันก็คือปุตุชนเป็นคนบ้าชนิดหนึ่งแล้วนี่ตามพระพุทธเจ้าวะ่ะแต่อาแต่ว่าอารมณปัจจัยเนี่ย วางขอบเขตอำนาจแค่ที่เรารู้รู้ลึกตื้นแค่ไหนยังไงก็เอาแค่นั้นนั่นแหละและพลังของอารมณ์ปัจจัยนั้นทําให้เกิดการให้เกิดจิตรู้ทีนี้ไอ้รู้แล้วเป็นอย่างไรเนี่ยมันเป็นกระบวนการของปัจจัยอื่นที่เกาะเข้ามาออบางทีครั้งหน้าเนี่ยอาจจะทานผมจะพูดเป็นแบบสบภาคะเอาปัจจัยหลักๆเนี่ยมาพูดว่ามันทํางานกันยังไงในชีวิตเรา จากเหตุผลรวมตัวอันอาเ ป, ปรตใจจับกลุ่มกันอันนี้แล้วก็มันสืบสายกระทบกันไปกระทบกันมาอย่างไงแต่ว่าจะพูดแบบปรากฏการณ์ของข้อเท็จริงเป็นหลักอันนี้ไอ้สิ่งหน่วงหนาวในปัจจัยที่แสดงว่าเนี่ยอารามนาปัจจัยท่านพูดถึงอารมณ์แบบไม่แบ่งขั้นอารามนาปัจจัยนะแต่ ว, ว่าอารามนาปัจจัยใดที่พูดอย่างแบ่งขั้นไปปรากฏอยู่ในอารามนาที่ปฏิปัจจัยเป็นอารมณ์ที่รุนแรง จะใมันมีอารมณ์ในลักษณะประหลาดประหลาดอยู่บางอย่างลึกลงไปเราไม่คาดคิดไม่นึกว่าจะเป็นนะคืออารมณ์ที่เกิดก่อนแต่ยังไม่ดับไปก่อนจิตที่รับรู้อารมณ์อนั้นอ่อันนี้หมายความว่ามันก็คืออรรร า, รารมณ์นบเรชตะรู้บารม์เกิดที่อื่นเกิดมาก่อนจิตแล้วยังไม่เกิดอย่างที่ว่าคราวที่แล้วรู้บารม์เดินทางมากระทบตาเมื่อกระทบตาปุ๊บจากสูวิญญาณจึงเกิด เมื่อจากสุวิญญาณไม่สามารถเกิดรอเหมือนเรารอดูคนยังไม่มาถึงบ้านเนี่ยเรามีติดลืมตาดูก่อนใช่ไหมแต่จากสุวิญญาณนั้นไม่มีคนเป็นอารมณ์อโดยพฤติกรรมหยาบๆเราพูดอย่างนี้ได้แต่จากสุวิญญาณเนี่ยถ้าอารมณ์ยังไม่มากระทบตามันรอเห็นเห็นรอไม่ได้มันจะเห็นต่อเมื่ออารมณ์กระทบตาเพราะอารมณ์เดินทางมาจากที่อื่นและจะเห็นได้ต้องมีอารมณ์เป็นตัวแล้วคือรูปอารมณ์ เพราะฉะนั้นรูปารมนั้นเกิดก่อนตาแล้วเดินทางมาถูกตาตาจึงเกิดอันนี้ก็เรียกว่าอารามณ์ปุเรจิตามีอะไรอีกหลายๆอารมณ์นะแต่อันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ที่เกิดก่อนแล้วใชเ้เวลาเดินทางทีงนี้ไอ้กรณีที่สี่เนี่ยมันเป็นอารมณ์ประาดคือจิตนั้นอาศัยวัตถุใดและเอาวัตถุนั้นเป็นอารมณ์ด้วยอันนี้ถ้าพูดถึงอย่างห ย, ยาบๆเนี่ยก็คือว่า ตัวเราเนี่ยจิตของเรามีสิทธิ์ที่จะนึกถึงตัวเองเป็นอารมณ์ได้ใช่ไหมใช่จิตของเราอยู่ในตัวเราใช่ไหมใช่แล้วก็เอาตัวเองเป็นอารมณ์ไอ้นี่พูดอย่างกว้างๆทีนี้ไอ้หาตยะวัตถุของตัวเองคือที่ที่จิตอาศัยเนี่ยมันไม่ใช่อาศัยทั้งตัวครับคือไม่ใช่จิตทุกดวงอาศัยทั้งตัวถามว่าปลายเล็บนี่จิตอาศัยไหมไม่อาศัยที่เนื้อด้านจิตอาศัยไหมไม่อาศัย ที่อุจจาระจิตอาศัยไหมไม่อาศัยที่ปัสสาวะจิตอาศัยไหมไม่อาศัยออาแล้วทํำไมปวดอุจจาระปวดที่อุจจาระหรือปวดที่อื่นเอาว่าปวดที่อื่นไม่ได้ไม่ใช่จิตเข้าไปซุกอยู่ในอุจจาระแล้วไปปวดเพราะพราะอุจจาระทำให้ปวดแต่มันปวดที่ไอ้ระบบที่มีประสาทกายในตัวนั้นอื่นจึงนําให้เกิดตัวโฆษณาขึ้นที่อื่นเพราะแรงเบียดของอุจจาระนั่นเองน ะ, ะอ่า อันนี้เป็นเรื่องหยาบๆที่นี้จิตที่อาศัยหาทยาวัตถุเนี่ยเป็นอารหาทยาวัตถุได้ออสองกรณีอย่างกรณีของคนที่ทําวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาจับจิตและรู้ว่าจิตนั้นตั้งอยู่ที่ไหนนี่กรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งคือคนที่ใกล้จะตายบางคนบางสภาพคนเนี่ยเมื่อใกล้จะตายหรือเมื่อเกิดไอ้ภาวะหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยถามว่า เรานึกถึงอะไรมากที่สุดอย่าตอบพระพลสสมมติว่าไฟไหม้บ้านเนี่ยถ้ามันยังไหม่ไม่มาเราก็นึกถึงห่วงของตัวนี้ใช่ไม้มฮะแต่พอเกิดไหม้ลามเข้ามาเอาตัวจะไม่รอนแล้วนึกถึงใครนึกถึงตัวเองทำไม อ, ไ ว, อวัยวะบางส่วนแล้วก็พยายามถอยถอ ย, ถอยกลับมาเรื่อยจนกระทั่งขวัญมาอยู่จะเรียกว่าขวัญไม่อยู่ก็นืกก้ตัวไมมันหมายถึงว่า จิตนี่มันจะมาอยู่ก็นเนอะค่ะตัวก็จะตายนี่เป็นยังไงนะอะไรเงี้ยนะมันไม่อยู่อยู่ที่นีเพราะจิตเลยมันเข้ามาจับจับไอ้ตำแหน่งที่จิตมันตั้งอยู่พอถึงคราวจะตายแล้วอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นวัตถุด้วยและเป็นอารมณ์ด้วยจิตตั้งอยู่ที่นั่นด้วยและจับสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ด้วยเป็นวัตถุ เป็นวัดพูดเด็มๆเรียกว่าวัดถาปุป เ, รารราปเรชาตาปัจจัยไอป้ปุเรชตาเนี่ยทำให้เรื่องมันเลยยากขึ้นไปนิดนะแต่อันนี้ก็ไม่ต้องนึกอย่างนั้นก็นแล้วกันเอาเป็นว่าคนใกล้จะตายจะนึกถึงเวลาเครื่องบินจะตกเวลาเราไปเห็นคนก็ถูกประหาร น, นี่ตอนนั้นเราจะนึกถึงเราเคยเห็นมไหมคนถูกประหารแล้วเคยเอาความรู้สึกเราไปใส่ไหมว่า คนกําลังจะถูกตัดคอเนี่ยตอนนั้นเขาควรจะนึกถึงแลักขณะที่เขาหลับตาปีอยู่เนี่ยหลับตาปีนึกถคือะไรนึกถึงตัวเองซึ่งไอ้สภาวะอย่างนั้นนะจิตมันเกิดความสามารถพิเศษขึ้นทะลุทะลวงจับเข้าไปถึงที่สถิตอยู่ของจิตได้คยคนเราเวลา เ, ลาเกิดภาวะหน้าติแล้วขวามันมันจิตมันทําอะไรได้เกิด ค, ความสามารถขึ้นมาได้เป็นกรณีพิเศษได้ในสถานการณ์หนึ่งเหมือนกัน นี่เป็นอารมณ์พิเศษอันหนึ่งเอาล้วครับผมคงจะพูดทิ้งไว้ท่านี้ก่อนนะกันนะเราจําเป็นต้องมาต่อในคราวหน้าสําหรับเอกสารจุดนี้ในช่วงแรกของการมยาใหญ่แต่ครังเวลาได้ยินเสียงเนี่ยรู้ไม่ว่าจิตได้ยินอยู่ตรงไหนแค่นี้เองไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้ชัดหรอกนะพอได้ยินเสียงก็ได้ยินไม่ไแต่เวลาปฏิบัติทำแล้วมันรู้ว่าได้ยินที่หูจริงๆเออมันเป็นไปได้มันไม่ใช่ มันไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคิดหรอกตอนท้ายนี้ขอเชิญแ่สวนกุศลนะฮะขอให้ตั้งจิตสุธีส่วนกุศลของท่านและของเราทั้งหลายที่ได้ทำร่วมกันให้แกสัพสัต ท, ทั้งปวงที่อยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่ในที่ใกล้ทีไกลมีอัตภาพยาบอัตภาพละเอียดมี